ช่วงนี้เรียกว่าคนทั้งโลกนะก็ติดตามแล้วก็คอยรุ่ น, นเนื่องจากมันมีแข่งกีฬาโอลิมปิกคนไทยก็รุ่นกับเขาด้วยไม่น้อยเบยเพราะนะตอนนี้ก็กำลังรุ่นเหรียญทองเหรียญแรกอาจจะเป็นเหรียญเดียวในโอลิมปิกครั้งนี้นะ คนก็สนใจนะกีฬาแล้วก็ตามนะขอให้ได้เหรียญทองก็นแล้วกันไม่ได้เหรียญทองก็เหรียญเงินเหรียญทองแดงก็ยังดีอย่างแล้วก็ตามเนี่ยเราจะสนใจเหรียญทองหรือว่าชัยชนะก็อย่าลืมน้ำใจ น้ำใจนี่เดี๋ยวนี้ก็ถูกลืมเลือนหายไปโดยเพราะในการแข่งขันเพราะคนนี้คิดแต่จะเอาชนะจนบางทีไม่มีน้ำใจและพวกเราเคยได้ยินเรื่องของ <c oughs> เด็กผู้หญิงสิบเดสิบสองขวบที่แข่งแข่งกีฬาวิ่งแข่ง ร้อยเมตรนะเด็กคนหนึ่งนี่ก็วิ่งนําหน้าเรียกว่าเกือบจะถึงเส้นชัยแล้วเพื่อนอีกคนมันก็วิ่งตามมาติดๆบอกว่าเพื่อนที่วิ่งตามมานี่เกิดตกล้มเด็กคนที่วิ่งนําหน้าอันดับหนึ่งนี่แทนที่จะวิ่งต่อนะเขาก็หันกลับมาช่วยพยุง เพื่อนของเขาที่ลม้มก็ปรากฏว่าคนอื่นอันดับสามอันดับสี่ก็เลยวิ่งแซงแล้วก็ได้ชัยชนะไปส่วนเพื่อนที่ส่วนคนที่ช่วยเพื่อนก็อดนะแต่ว่า ตอนที่แข่งจบนี่คนทั้งสนามนี่ก็ตบมือยืนตบมือให้กับเด็กที่ช่วยเพื่อนทั้งๆ ท, ที่เขาไม่ได้ตำแหน่งอะไรเลยเพราะว่าเขามาทีหลังอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ประทับใจมากที่เชีเห็นว่าไม่ว่าจะแข่งอย่างไรก็ตามนะ สิ่งที่เราต้องไม่ไม่ลืมแล้วก็ไม่ทิ้งก็คือน้ําใจาคนที่มีน้ําใจอย่างนี้นะั่นแหละที่จะเรียกว่าเป็นผู้ที่ชนะอย่างแท้จริงคือชนะใจตัวเองหรือชนะกิเลสเมื่อปี3าหนึ่งเนี่ยนะตอนแข่งโอลิมปิกมันมีกีฬาเนี่ก็เป็นกีฬ า, าแข่งเรือก็มีผู้ชายคนหนึ่งนักกีฬาชาวแคนาดา อบอกชื่อก็ดีนะเผื่อว่าเราจะจำได้เพราะเดี๋ยวนี้เราจำคนดีเราไม่ค่อยจำเท่าไหร่เราไปจำแต่คนเก่งก็ชื่อลอเรนส์เลอร์มิก์ชาวแคนาดาเขาตามอันดับหนึ่งมาติดๆเลยนะปรากฏ ว, ว่าเดือไปถึงเส้นชายแล้วก็ไปเห็น <c oughs> เพื่อนนักกีฬาชาวสิงคโปร์ลอยคออยู่กลางทะเล <c oughs> เพราะว่าลมมันแรง ก็ทำให้เรือพลิกคว่ำอเลนมิกซ์นี่ก็ตัดสินใจบังคับวับับงคับใบเรือไปช่วยนักกีฬาสองคนนั้นซึ่งก็ไม่รู้จักเพราะว่าเป็นคนละชาติกันคือถ้าไม่ช่วยนี่ก็ลำบากแล้วละเพราะว่าลมมันแรงอาจจะตายได้เขาก็ตัดสินใจไปช่วยชาวสิงคโปร์สองคนนั้น ก็เลยอดได้เหรียญไม่ได้แม้แต่เหรียญเดียวเพราะว่าเขาถึงเส้นชัยอันดับที่11นะแต่ว่าก็ได้รับการยกย่องมากเดี๋ยวนี้เราจาไม่ได้แล้วว่าคนที่เข้าถึงเส้นชัยในการแข่งขัครั้งนั้นเนี่ยคือใครแต่ว่าเลมิสเน่นนก็เป็นที่กล่าวขานว่าเขาเป็นนักกีฬาที่แท้จริง คือเห็นความสำคัญของชีวิตคนมากกว่าเหรียญทองหรือเหรียญเงินแต่บางคนนี่เขาก็ไม่ได้ถึงกับว่าเจอเหตุการณ์ที่ร้ายแรงขนาดว่ามีคนจะตายต่อหน้าหรือคนกำลังจะจมน้ำตายนะแต่ก็มีน้ำใจนะอย่าเมื่อสักปีอันนี้ก็ย้อนถอยหลังกลับไปไกลหน่อยนะปี 7-1-2 มั้ง มีการแข่งโอลิมปิกกันนักกีฬาฟินแลนด์เนเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งเขาวิ่ง 3,000 เ 3, มตรวิ่ง 3,000 เมตรก็ปรากฏว่ากลางทางเนี่ยมันมันเป็นก็ทางวิบามกันนะก็ปรากฏว่าเขาก็หกลม้มแล้วก็ไอนาฬิกาของ นาฬิกาของรักของห่วงก็เกิดตกลงไปในน้ำบอกว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งนะเป็นชาวฝรั่งเศสก็เลืกเป็นคู่แข่งวิ่งตามมาก็ไม่ถึงกับติดๆนะตามไล่หลังมาพอเห็นเหตุการณ์เนี่ยแทนที่จะวิ่งต่อนะเขาก็ช่วยนักกีฬาชาวฟินแลนด์คนนี้พยุงขึ้นแล้วก็ช่วยหานาฬิกาให้ด้วย ก็ไปเจอนาฬิกาอยู่ในน้ำปรากฏว่านักกีฬาชาวฟินแลนด์คนนั้นเนี่ยพอได้นาฬิกาแล้วแทนที่จะวิ่งต่อนะเพราะว่าเสียเวลาไปเยอะแล้วต้องรีบต้องรีบจำนะเพื่อจะได้เหรียญทองปรากฏว่าเขาไม่ทำอย่างนั้นเขาก็เดินเขาก็วิ่งตามหรือว่าวิ่งคู่กับเพื่อนที่ช่วย ช, ช่วยเก็บนาฬิกาให้เขาแล้วก็วิ่งมาถึงเส้นชายด้วยกันเรียกว่ายอมทิ้งตําแหน่งนะไม่เอาล้นะเพราะว่านับถือน้ําใจเพื่อนชาวฝรั่งเศส ค, คนนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นน้ําใจนักกีฬาของสองคนนะชาวฝรั่งเศสก็มีน้ําใจมากแทนที่จะวิ่งต่อก็ช่วยเพื่อนซึ่งไม่รู้ไม่ ซึ่งคงคุยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องน ะ, เ ร, ะงเรคนละภาษาแล้วก็เป็นผู้แข่งกันด้วยในส่วนนักกีฬาฟินแลน์คนนั้นเนี่ยก็ทราบซึ่งน้ำใจเพื่อนแทนที่จะวิ่งต่อเอาชัยชนะก็ไม่เอาแล้วนะขอเดินขอวิ่งคู่นะเพื่อเป็นการคารวะเคารพไม่เอาเปรียบเพื่อนอนนี้มันเป็นน้ำใจนักกีฬาซึ่งเดี๋ยวนี้ก็หายยาก แต่มันเชื่อเห็นว่าคนเราเนี่ยนะไม่ว่าเราจะแข่งขันยังไงก็ตามสิ่งที่เราต้องไม่ลืมก็คือน้ำใจเดีย๋ยวนี้การแข่งขันมันทำให้คนเรากลายเป็นเครื่องจักรไปแล้วไม่ใช่มนุษย์ที่มีหัวจิตหัวใจมันไม่ใช่เฉพาะแข่งขันในในรูในสนามมันทีแข่งขันในในห้องเรียนหรือว่าในที่ทำงานทุกคนถูกทำให้กลายเป็นเครื่องจักร นะที่คิดแต่จะเอาชนะ <c oughs> นะยิ่งในกีฬาโอลิมปิกเดี๋ยวนี้นี่แต่และคนแต่และคนกลายเปนเครื่องจักไปแล้วนะถูกเขี้ยวเข็นใ ห, ให้ให้ชนะทุกอย่างบางทีก็กินสารกระตุ้นเข้าไปเท่านั้นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะแล้วก็พอการนเครื่องจักแล้วก็ไม่มีหัจิตหัวใจแล้วที่จะ มีความเมตตากรุณาแต่ว่าตัวอย่างที่เรามานิสัยเห็นว่านี่คนเหล่านี้เขาการวิ่งเป็นหน้าที่ก็ต้องวิ่งให้ดีที่สุดแต่ว่าก็ไม่ไม่ทิ้งความเป็นมนุษย์ถึงจะวิ่งก็ยังมีความเป็นมนุษย์อยู่คือมีน้ําใจแล้วก็ห่วงใยทุกสุขของคนอื่นน่าจะเป็น เป็นคนละพวกนะแต่ก็ไม่ถือเป็นคู่แข่งถือว่าเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันเดี๋ยวนี้พอเราแข่งขันกันเนี่ยนอกจากเราจะกลายเป็นเครื่องจักรแล้วเรายังเห็นคนอื่นไม่ใช่มนุษย์หรือไม่ใช่เพื่อนมนุษย์ด้วยก็คิดแต่จะเอาชนะบางทีก็หาทางกลั่นแกล้งนะเขาประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนก็ยิ่งดีใจสะใจ อันนี้เนี่ยต้องระวังว่าอย่าให้การแข่งขันมันทำลายความเป็นมนุษย์ของเรานะถ้าเรายอมให้การแข่งขันทำลายความเป็นมนุษย์ของเรานี่เราแย่แล้วนะอย่างนี้อย่าแข่งดีกว่านะกลับมาเป็นคนธรรมดาดีกว่านะอันนี้ก็เชื่อเห็นว่าเรื่องชายชนะที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่ชายชนะที่ได้เหรียญแต่เป็นการชนะใจตัวเองนะ การชนะใจตัวนี้สคัญมากซื้อีจริคือการชนะกิเลสนั่นเองนะกิเลสมันอยากอยากเด่นอยากดังกับคนอื่นนะถ้าเราไม่คิดที่จะชนะกิเลสคิดแต่จะได้เหรียญทองคิดแต่จะได้รางวัลหรือว่าได้คำชื่นชมนี่เราก็จะเป็นมนุษย์น้อยลงไปเรื่อยๆนะยิ่งมีความขัดแยง้งทางการเมืองนะต่อกาบเปนฝักเป็นฝ่ายมากขึ้นนะ มันก็ยิ่งคิดแต่จอชนะอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นการแข่งขันมือนกันแเป็นการแข่งขันแบบทําสงครามไม่ได้ทําสงครามด้วยอาวุธแต่ว่าทําสงครามด้วยวาจาเชื้อเฉือนนะเวลาใครเกิดเดือดร้อยขึ้นมาเราก็ดีใจเพราะเขาเป็นคนละพวกกับเราอันนั้นถ้าคิดแบบนี้ก็สิเรียกว่าแย่แล้วไม่ว่าคนนะั้นเขาจะใส่เสื้อคนละสีกับเรา คนภาษานักถือคนาศาสนาหรือว่าคนละประเทศคนละเชื้อชาติก็อย่าให้มันทำลายมันคืนกินความเป็นมนุษย์ของเรานะต้องมีความรักความเมตตา ม, มีน้ำใจต่อผู้อื่นแล้วเห็นคนอื่นเขาเป็นมนุษย์เหมือนกับเรานะไม่ใช่เป็นผู้ร้ายนะนะเพราะฉะนั้นก็เราดูกีฬาไม่ว่าโอลิมปิกหรือว่าฟุตบอลโลกนะก็ ให้ดูใจของเราไปด้วยว่าน้ำใจเรายังมีอยู่หรือเปล่าความเป็นมนุษย์เราผลหายไปบ้างหรือเปล่าหรือว่าเราคอจะต่แช่งชักหัดกระดูกฝ่ายตรงข้ามหรือคนที่นับถืออยู่คนละคนละชาติกับเราไนะถ้าคิดอย่างนั้นนี่มันก็กลายเป็นการบั่นทอนแล้วก็